คือการฟังทมต้องฟังด้วยใจมีสมาธิถ้าใจเราขาดสมาธินะเราฟังทำไม่รู้เรื่องหรอกนะธรรมะเป็นของประนีดของประนีดถ้าใจของเราก็ต้องคู่ควรกับธรรมะการที่เราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์มันก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่ง ขณะที่เราไหว้พระสวมดมนต์เนี่ยถ้าใจเราจดจ่อคิดถึงพระจริงจริงคิดถึงพระพุทธเจ้าจริงๆสิ่งที่เราได้มาก็คือความสงบของจิตนะถัดจากนั้นเราพอเรามีจิตใจที่สงบพอสมควรแล้วเรามาขอศีตั้งใจสีนนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาทำให้กายทำให้วาจาเรียบร้อยนะเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาตัวเอง การปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกนะการปฏิบัติธรรมจริงๆปฏิบัติไปก็เพื่อขัดเกลอกิเลสออกจากใจของเราไปเป็นลําดับลําดับกิเลสหยาบหยาบราคะาโทสะโมหะอะไรเงี้ยนะโกรธแรงแรงโลภแรงแรงหลงแรงแรงฟุ้งซ่านมากๆอนะไรเงี้ยม่จะทําให้คนเราทําผิดศีลนะันนเราก็ตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนศีลในเบื้องต้นต้องตั้งใจรักษาอย่างเรากล่าวปฏิญาณนะพุทธังสรารนางคัจฉามิ เป็นการบอกเลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเราก็ต้องทำตามพ่อตามแม่ของเราสอนให้ได้ไม่ใช่รับสีนเล่นๆหรอกเรารับไปก็เพื่อเอาไปปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตัวเองให้สมกับที่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้สมกับที่เราเกิดมาในแวดวงของธรรมะถ้าเรารับแล้วก็ทิ้งไปเปล่าๆไม่มีประโยชน์งั้นสิ น, นก็เอาไว้เพื่อขัดเกลารตัวเองนั่นเอง อย่างคนเราจะทําผิดศีลได้นะวิธีจะรักษาศีลให้ดีนะไม่ใช่แค่ตั้งใจจะรักษาศีลไม่ใช่แค่มาขอกับพระมาขอศีลแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวเดียวศีลขาดละศีลขาดง่ายมากนะโดยเฉพาะศีลข้อ 4. สีศีลข้อสีไม่ใช่แค่มุสาวาทไม่ได้แค่โกหกนะมันรวมไปถึงการพูดที่ไม่ดีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยเช่นการพูดส่อเสียดยุให้เขาทะเลาะกัน การพูดคำหยาบการพูดเพิรเจอพูดเพิรเจอก็คือพูดโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดมีไหมพวกเรามีไหมวันๆนั้นเราพูดโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดเยอะมากเลยการที่เราพูดอะไรต่ออะไรโดยไม่จําเป็นต้องพูดเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตไม่สงบหรอกนะงั้นศีลเนี่ยแหะเป็นการขัดเกลวนะ์เบื้องต้นนะแต่ว่าเราจะขัดเกลวได้ไม่ใช่แค่ไปขอศีลนะต้องรู้จักวิธีรักษาศีลที่ดี การรักษาศินที่ดีไม่ใช่รักษาที่กายที่วาจานะคนเราทําผิดศินได้เพราะใจมันทําผิดศีนก่อนนะใจมันต้องชั่วซะ ก, ก่อนนะกายวาจาถึงจะชั่วตามอย่างใจเรามีโทสะแรงๆเนะี่ยเราถึงจะฆ่าเขาได้ตีเขาได้ด่าเขาได้นะทำลายทรัพย์สินก็ได้ใจของเราต้องมีราคาก่อนนะถึงไปปล้นฆ่าเขาไดนะ้ไปชิงทรัพย์ก็ไดนะ้เป็นชู้กับเขาได้นะพูดจาหลอกลวง อะไรต่ออะไรเยอะแยะสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากใจเราทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรักษาศีลให้มันตลอดรอดฝังเนะี่ยมารักษาที่ใจนะเครื่องมือในการที่จะรักษาศีลที่ใจเราได้ดีนะก็คือสตินั่นเองสตินี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยถ้ามีสติถึงจะมีศีลถ้าขาดสตินะคุณงามความดีทั้งหลายหายหมดเลยแม้นะ เ, รเราสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะั่นคือความมีสติ ใครๆก็บอกว่าตัวเองมีสติในความเป็นจริงแล้วคนในโลกนี้ไม่ค่อยมีสติหรอกมีแต่คนหลงคนลืมตัวเองใจลอยทั้งวันใจฟุ้งซ่านทั้งวันจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะมีร่างกายแล้วก็ลืมมันมีจิตใจแล้วก็ลืมมันเราไม่เคยรู้สึกนะในร่างกายของเราเราลืมมันทั้งวันเลยเรารู้หมดเลยใครเขาเดินยังไงเคลื่อนไหวยังไงใครเขาไปไหนมาไหนเรารู้หมดเลยแต่เราหายใจออกหรือหายใจเข้าเรายังไม่ค่อยจะรู้เลย เราจะขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเราไม่ครู้ตัวของเราเองนะจิตใจของเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจเราจะดีจิตใจเราจะเลวเราก็ไม่เคยรู้ทันมันเลยนะนี่เรียกว่าเราขาดสตนะิสตินั้นเป็นเครื่องมือรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองโดยเฉพาะการที่เรามีสติรู้ทันจิตใจของตนเองนั่นแหละจะทำให้เรารักษาศีลง่ายเพราะว่าคนทาผิดศีลนะมันผิดมาเพราะกิเลสครอบงาจิตได้ ถ้กิเลสครอบงําจิตไม่ได้ทําผิดศีลไม่ได้เะฉะนั้นเรามามีสตินะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตเราคอยรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันมีสติคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตนี่แหละจะทําให้เรามีศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นนะเช่นโทสะเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็ไม่ไปฆ่าใครไม่ไปตีใครไม่ไปด่าใครไม่ไปทําลายทรัพย์สินของใคร อยู่แค่รู้ทันโทสาที่เกิดที่จิตนี่แหละนี่การรักษาศีลที่ดีรักษากันที่จิตนี่รักษาที่มือที่เทา้าที่ปากนะเดี๋ยวเดียวก็ขาดแล้วเพราะจิตมันไม่ไม่ดีนะถูกกิเลสลากเข้าไปราคาเกิดที่จิตแล้วก็มีสติรู้ทันนะถ้าเรารู้ทันราคาจะดับเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะว่าราคาทําผิดศีลเพราะราคะอย่างไปฆ่าเขาเพราะราคะมีไหมฆ่าเขาเพราะอยากได้สมบัติ ข, ของเขาเนี่ยเขาไปฆ่าเขา ไปขโมยเขาใช่ไหมไปประพฤติผิดในกามอนี้ก็เพราะราคะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงผิดศีลข้อสี่ก็เพราะราคะอาศัยราคาอาศัยโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติรู้ทันนั่นแหละเราถึงทำผิดศีลห้าได้ถ้าเรามีสติรู้ทันนะใจฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันนะกิเลสหยับหยัมจะเกิดไม่ได้นี่เป็นวิธีรักษาศีลที่เราจะรักษาได้ตลอดรอดฟัง่ง คนที่เรียนกับหลวงพ่อนะไปส่งกันบ้านที่วัดก็เยอะแยะนะเขาก็ไปเล่าแต่ว่าแต่เดิมเนะี่ยรักษาศีลไม่ค่อยสำเร็จหรอกเพราะว่าพยายามรักษาที่กายที่วาจาแปบ๊บเดียวหาใจมันเฟือนะกายวาจาผมก็ทำผิดไปด้วยแต่พอมหัดเจริญสตินะมาคอยรู้ทันมาคอยรู้ทันศีลมันเกิดเองนะไม่ต้องเจตนารักษาเลยศีลมันมาเองเลยนะงั้นเราจะรักษาศีลให้ดีนะนะรักษาที่จิต กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิต ร, รู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิต ร, รู้ทันแล้วศีลมันจะมาเองถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเนี่ยศีลมันไปเองมันไปอย่างรวดเร็วเลยนการที่เราคอยมีสติรู้ทันใจของเราเองเรื่อยๆเนี่ยนอกจากศีนแล้วสมาธิยังจะเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแต่เดิมรักษาศีไม่ได้เดี๋ยวนี้รักษาง่ายแต่เดิมทาสมาธิไม่ได้เดี๋ยวนี้ทาสมาธิง่าย สมาธิไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะสมาธิเรื่องว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปฟุ้งไปในอารมณ์โน้นฟุ้งไปในอารมณ์นี้นะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติมันมีกฎของธรรมะข้อหนึ่งก็คือกิเลสกับกุศลเนี่ยจะไม่เกิดร่วมกันสติเป็นตัวกุศลนะเพราะฉะั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอยู่จิตฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตสงบอัตโนมัติ งนวิธีที่เราจะทำจิตให้สงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราไม่รู้วิธีแล้วมันก็ยากเช่นเราอุตส่าห์ไปนั่งสมาธินะนั่งกันเป็นวันวั น, วนพุโทโธไปหายใจไปฝึกกันแรมปีนะกว่าจะค่อยๆสงบได้บ้างบางทีสงบเพราะมากไปอีกซึมไปเลยนะออกจากสมาธิมานะใจก็ซึมซึมเสื่องเสื่อ ง, งหรือเวลาอยู่ในสมาธิมีความสุขมากออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนะใจทนไม่ไหว ไม่คล้ายๆเรามีชีวิตยอยู่แต่ในห้องปลอดเชื้อนะ อ, ออกมาสู่อากาศข้างนอกโดนเชื้อโรคแป๊บเดียวตายเลยเวลาติดอยู่ในสมาธิใจสงบสบายมีความสุขนึกว่าไม่มีกิเลสนะพอออกมากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นกิเลส ร, ระเบิดเปลี่ยงปลังเลยนะสมาธิอย่างนั้นไม่ค่อยได้เรื่องอะไรหรอกนะเราลองมาฝึกสมาธิชนิดใหม่นะสมาธิวิธีการไม่ได้ยากอะไรความจริงหลวงพ่อไม่ได้คิดเองหรอกนะ มีคําสอนอันนี้อยู่ตั้งแต่ในพระไตรปิฎกก็มีในสามัญญผลสูตรนะพระเจ้าสอนในชาติศัตรูรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตนิวรณ์มันจะดับอัตโนมัติอย่างความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นที่จิตนะเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านปุ๊บความฟุ้งซ่านดับทันทีที่นิวรณ์ดับสมาธิเกิดมันง่ายแค่นี้เองนะนะนะครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อภาวนามานะท่านสอนให้รู้ทันที่จิตนี่เองนะสมาธิมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลย อย่างใจเราฟุ้งซ่านเก่งไหมวันหนึ่งวันหนึ่งนะใจเราหนีไปคิดนับครั้งไม่ถ้วนร้อนยะครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนีหนีทั้งวันนะี่เราคอยมีสติรู้ทันนะจิตมันไหลไปแล้วจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วจิตมันหนีไปคิดแล้วให้เราคอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตจะตั้งมั่นจิตจะตื่นขึ้ น, นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบลานเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดีสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่สำคัญสำหรับการเจริญปัญญาสมาธินั้นมีสองชนิดนะเราเรียนต้องไม่มักง่ายเกินไปสมาธิชนิดที่หนึ่งเป็นการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเช่นเราหายใจไปเราพุโทโธไปให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไปอยู่กับพุโทโธเราดูท้องพองยุบนะน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องให้จิตนิ่งอยู่ที่ท้องนะ เดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นเลยอย่างนี้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมถะกรรมฐานนะพักอย่างเดียวเลยไม่เดินตัญญาหรอกมันมีสมาธิที่จิตไปรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวเนี่ยมีศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าอารมมณูปนิชฌานจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเะดียวได้สมถะนะเราต้องระวังนั่งสมาธิอดีแต่ว่าต้องระวังว่านั่งแล้วก็ไปติดในสมาธิชนิดอารมณูปนิชฌานไปเพ่งอารมณ์อันเดียว ไม่มีทางเดินปัญญาหรอกสมาธิชนิดนั้นสมาธิมีอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชานนะลักขณูปนิชานเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนหลวงพ่อมานะตั้งแต่หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนี่นะทั้งหลวงตาท่านท่านเรียกคาว่าผู้รู้ผู้รู้ครูบาอาจารย์กรรมฐานแต่เดิมสอนคำว่าผู้รู้เยอะเลยอะไรคือผู้รู้พุทธะใช่ไหมพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เคยได้ยินไหมพุทธะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเป็นผู้รู้อะไรเป็นผู้ตื่นอะไรเป็นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเรามาทํากรรมฐานนะแล้วเรามารู้ทันจิตนะหัดพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตหัดหายใจไปแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบไปแล้วรู้ทันจิตเดินจงกรมไปแล้วก็รู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้แต่พุทโธรู้แต่ลมหายใจรู้แต่ท้องรู้แต่เท้าไอ้นั่นรู้ออกนอกไป ให้คอยรู้ทันจิตตนเองไว้บ่อยๆจิตจนกระทั่งเราอย่างเราพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันปั๊บเนีเราหายใจไปจิตนีไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บเรารู้ทันปั๊บนีจิตที่เรารู้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นคนดูได้จิตชนิดนี้แหละที่จะเอาไว้เดินปัญญาไม่ใช่จิตที่ทำสมาธิเสื่องๆซึมๆแล้วจะไปเดินปัญญาได้นะหรือจิตที่เห็นนิมิต ออกนอกไปแนะเห็นนะน้นเห็นนะโรคเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นผีอะไรอย่างนี้นะมันไม่มาดูตัวเองนั้นจิตที่เราจะต้องฝึกให้ได้นะก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนี่แหละอาศัยการมีสติรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปเมื่อก่อนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะก่อนว่าพุโทโธหัดพุดโทโธเรารู้ทันจิตะหลายองค์เลยที่สอนอย่างนี้หลวงปูดุลก็สอนพุโทโธเรารู้ทันจิตไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่ง พุโทโธเรารู้ทันจิตหลวงปู่บุญจันทร์ท่านผาพึ่งองค์นี้พ่อนาเก่งนะหลวงปู่บุญจันทร์พ่อนาเก่งแต่คนไม่ค่อยรู้จักท่านท่านสอนเลยว่าพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจพุโทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุโทโธเสร็จแล้วก็มารู้ทันใจตัวเองถ้าใจหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้ว ถ้เมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปนะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละคือจิตที่มีสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาสมาธิที่ทําเพื่อความสงบนั้นไม่ได้ทําเพื่อเดินปัญญาแต่ทําเพื่อพักผ่อนให้จิตมีกําลังมีเรี่ยวมีแรงพอจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องพัฒนานะต้องอัปเกรดสมาธิขึ้นมาให้จิตนั้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ อางหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์สอนปั๊บเดียวทําได้แล้วจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเจอครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่ออย่างหลวงปู่สิมท่าผับหลงหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตของเรานี้เป็นผู้รู้เราฝึกท่านสอนมาอย่างนั้นจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ อาศัยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องฟองยุบก็ได้จนะะเดินจงกรมก็ได้ขยับมืออย่างโลวพระเทียนก็ได้แต่ทำไปแล้วให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะพุดโทโธพุโทโธหนีไปปุ๊บรู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีเลยตัวนี้เป็นตัวที่แตกหักเลยว่าชาตินี้เราจะได้มาผลนิพพานหรือไม่ ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาจิตซึ่งส่งสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เนี่ยชาตินี้เรายังไม่มีโอกาสจะได้มาผลนิพพานหรอกเพราะเรายังไม่สามารถเจริญปัญญาที่แท้จริงได้นะเราต้องฝึกนะนี่บางทีก็สอนกันให้นั่งสมาธิซึมซึมนั่งแล้วเห็นนิมมง์นิมิตนะอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญานะเป็นไปเพื่อพักผ่อนเป็นไปเพื่อเล่นสนุกนะออกนอกเล่นนูน่นเล่นนี่ไปพยายามมาฝึกสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว พูดภาษาไทยง่ายๆนะจิตใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีร่างกายก็ไม่ลืมมันมีจิตใจก็ไม่ลืมมันของเรามีร่างกายเราก็ลืมมันทั้งวันเลยเห็นแต่ร่างกายคนอื่นนะร่างกายตัวเองกระดุ ก, กระดิกไม่รู้จิตใจของเราเองเราเป็นยังไงเราไม่รู้เราสนใจคนอื่นตลอดต่อไปนี้เราลองคอยมารู้ทันตัวเองนะให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว เวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้ถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้นะชาตินี้ยังไกลกับมรรคนิพพานเพราะยังเดินตัญญาไม่ได้จริงนะเคยมีไหมพวกเราใครฝึกสมาธิหลายสิปีมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะสงบแล้วก็ฟุง้งสงบแล้วก็ฟุง้งหลวงพ่อนี่แหละทําอย่างนั้นมาก่อนหลวงพ่อเรียนจากท่านพ่อรีพระโสกรมัมท่านเก่งมากๆเลยท่านไม่ใช่พระธรรมดา แต่เราเด็กเรียนตั้งแต่7ขวบปีศ2นยะเรียนตั้งแต่อายุเขวบท่านสอนให้หายใจเข้าฟูดหายใจออกโทนะเสร็จแล้วเราเราเด็กเราเรียนได้แค่นั้นนะเราอยู่มาปีสอปีท่านก็สิ้นไปละไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะสอนทำวิปัสนานะสอนเดินปัญญาเนี่ยไม่มีเลยก็ทําแต่สมถะนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโททําอยู่แค่ยี่สิบสองจิตสงบอย่างเดียวนะไม่มีปัญญาอะไรเกิดขึ้นแต่ก็อดทน ทำไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะได้มากผลนิพพานมันไม่ได้สักทีมีแต่ว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านนะพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านมาลืนสงบนงวนอยู่แค่นี้เองนะจนทั่งไปเจอหลวงปู่ดูลนครหลวงปู่ดูลสอนให้ดูใจตัวเองนะพอเรามาดูจิตดูใจตัวเองนะศีล ส, สมาธิปัญญาอะไรเนี่ยมันงอกงามอย่างรวดเร็วเลยมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่อยู่ในเมืองนะกรรมฐานการดูจิตดูใจเนะี่ยพวกเรายุคนี้อะไรๆต้องเร็ว ช้าๆไม่ได้อะไรๆต้องเร็วกระทั่งจะกินอาหารอย่างฟาสต์ฟู้ดเลยใช่ไหมต้องเร็วไว้ก่อนกรรมฐานช้าๆพวกเราก็ทนไม่ไหวงั้นเราลองมาฝึกนะมีสติรู้ทันจิตตัวเองจากคนไม่มีศีลศีลจะเกิดขึ้นหลวงพ่อท้าเลยถ้ารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเองศีลมันมาเองไม่ต้องเชื้อเชิญเลยแล้วถ้ารู้ทันจิตใจของตัวเองว่ามันฟุ้งซ่านไปมันหนีไปคิดนะรู้ทันนะ จิตมันจะไม่หนีจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่ไหลไปคิดนี่หลวงปู่ดูลีว่าจิตออกนอกจิตมันไหลไปหลงไปตลอดเวลาพยายามฝึกให้จิตรู้สึกตัวรู้สึกตัวพอจิตใจรู้สึกตัวแล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญานี่บางคนนะไปสอนกันว่าเดินปัญญาคือการคิดพิจารณานะการคิดพิจารณาเนี่ยคำว่าวิปัสนาไม่ได้แปลว่าคิดวนะีปัสนามาจากคำสองคำนะคว่าวิกับคาว่าปัสนะ ปัต ส, สนาคือการเห็ น, นคําว่าปัต ส, สนะเนี่ยแปลว่าเห็นนะไม่ได้คิดไม่ใช่วิตกถ้าวิตกจะคิดนั้นวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานคิดเอาใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยรู้จักไหมใครเคยได้ยินท่านตายเป็นนานแล้วนะมรณะาภาพไปหลายปีแล้วหลวงพ่อพุทธสอนเลยว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด ทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความรับรู้โลกของความรู้สึกงั้นเราต้องถอนตัวเองนะออกจากโลกของความคิดมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ซะก่อนโดยการรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้แล้วนะก็มาเดินปัญญาเรามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจมิปัสนากรรมฐานนั้นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจแค่นั้นเอง อย่าไป น, นึก ว, ว่ามันพิลึกพิลั่นวิเศษวิโสอะไรนักหนามันคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจตัวเองเอาของตัวเองอย่าไปดูของคนอื่นดูของคนอื่นกิเลสเกิดนะดูของเราเองเนี่ยจะได้ลดละกิเลสเราเราจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันให้ได้ก่อนพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูนะงานต่อมาที่จะเดินปัญญาเนี่ยต้องแยกขันให้ได้แยกธาตุให้ได้ถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ ครูบาอาจารย์สอนเลยบอกว่าถ้าพิจารณายแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกอย่างนั่งสมาธิไปแล้วก็สงบไปอะไรเงี้ยขันธ์ไม่แยกขันธ์ไม่แย ก, แยกเดินปัญญาไม่ได้นี่ขันธ์จะแยกได้ใจต้องเป็นคนดูถ้าใจเราเป็นคนดูได้นะมันแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ยากอย่างพวกเรานั่งขณะ น, นี้รู้สึกไหมเรานั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมร่างกายกําลังนั่งอยู่ รู้สึกไหมมีคนหนึ่งเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมหัดแยกไปเงี้ยหัดแยกเงี้ยนะนั่งสมาธินั่งหายใจเห็นร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเห็นคนอื่นนะเหมือนเห็นคนอื่นหายใจอยู่ต้องหัดนะตัวนี้ถ้าไม่หัดนะเดินปัญญาไม่ได้แต่ถ้าหัดก็ไม่นานนะเจ็ดปันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเนี่ยต้องได้ ได้อะไรบ้างแหละพระเจ้าถึงบอกว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานไม่ใช่นั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจเจริญสติปัฏฐานนี่ทำวิปัสนาเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจจิตเป็นคนดูเคล็ดลับของการภาวนาเนี่ยที่ว่าเราจะได้มาได้ผลในชีวิตนี้หรือไม่นะอยู่ที่จิตเรามีคุณภาพในการเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงหรือเปล่าเป็นผู้เห็นจริงหรือเปล่า หรือเป็นผู้คิดถ้าจิตเป็นผู้คิดทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าจิตเป็นผู้ดูจิตเป็นผู้เห็นถึงจะทำวิปัสสนาได้ <Interesting. S 1> นะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ให้ได้เป็นผู้เห็นให้ได้วิธีฝึกก็คือพุทโธไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทัน <cession> มันจะได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นพะจิตมันแยกออกมาเป็นผู้ดูแล้วคราวนี้ดูไปร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า พอเรานั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะดูไปอีกความปวดความเมื่อยนะไม่ใช่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความปวดความเมื่อยมาทีหลังเพราะงั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะอย่างคนในโรงพยาบาลได้ข่าวว่าเขาถ่ายทอดไปให้คนไข้ดูด้วยนะงั้นคนไข้คนไหนเจ็บป่วยอยู่นะกำลังนอนอยู่ก่อนนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ใจเราเป็นคนดูนะเหมือนดูคนอื่นนอน นอนไปแล้วมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเห็นไหมความเจ็บปวดนีแทรกเข้ามาในร่างกายจิตใจของเราเป็นคนดูพอมันปวดมากๆนะความกระสับกระส่ายเกิดที่จิตเช่นไม่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ป่วยอยากหายเร็วๆอยากกลับบ้านนี่ความอยากที่เกิดขึ้นเนะี่ยเป็นอีกขันหนึ่งนะชื่อสังขารขันนะร่างกายนะเป็นตัวรูปประขันความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาขัน จิตใจที่ทุรนทุรายขึ้นมาเพราะความเจ็บปวดเรียกว่าสังขารขันจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมันรับรู้อารมณ์ทางร่างกายนะเรียกกายยะวิญญาณกายยะวิญญาณจิตจิตเกิดที่กายนะี่ค่อยๆดูไปค่อยๆแยกขันไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนะเห็นความกระสับกระส่ายหรือความสบายใจของจิตนะ อยู่ต่างหากเห็นความโลภความโกรธความหลงนะเกิดที่จิตนะแต่ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่คยค่อยๆหัดแยกไปเรื่ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึง่งเวทนาคือความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึง่งกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นที่จิตอยู่อีกส่วนหนึง่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึง่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่แหละการหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะร่างกายนี่แยกออกไปได้อีกเป็นธาตุสีนะดินน้ําไฟลมนะส่วน จิตใจเนี่ยแยกเป็นขันได้อีกสนีะ่เรียกเวทนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาขันความจําได้ความหมายรู้นะสังขารขันความปรุงดีความปรุงชั่ววิญญาณขันความรับรู้อารมณ์ทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจนะหัดแยกไปเรื่อยทำไมต้องแยกถ้าไม่แยกนะเราจะมองตัวเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนในความเป็นจริงแล้วร่างกายเราตัวเราเนี่ยคล้ายๆรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกรถยนต์มีจริง นะเพราะว่ามันประกอบด้วยอะไหล่จนวนมากแต่ถ้าเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆ น, นะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่หัหยถอดลูกล้อไปลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดเอาเบาะออกมาที่นั่งออกมาใช่เบาะไม่ใช่รถยนต์ใช่ั้ยรถยนต์ไม่มีล้อได้ไหมไม่ได้เห็นแต่ล้อก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่การแยกตัวเราก like, ็เป็นแบบเดียวกัน เวลาเรามองในภาพรวมนะมันมีตัวมีตนมีตัวกูของกูขึ้นมาแต่ถ้าเราหัดแยกธาตุแยกขันไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันจะรู้สึกเลยร่างกายเหมือนร้อรถยแยกออกไปแล้วไม่ใช่รถยร่างกายนี้เคยเป็นตัวเรามันจะไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาเลยนะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะากูศนอกูศนก็ไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตเราจะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันเลย จิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนงั้นถ้าใครบอกว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนเลยมีครูบาอจารย์ดวงหนึ่งนะหลวงปู่ล่าที่ผู้เจ้าก็สอนดีมากเลยท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนอย่างนี้เลยนะเพราะพระพุทธเจ้าว่าจิตเกิดดับ จ, จิตเกิดดับเราสังเกตจิตใจของเราใช่ไหมจิตใจที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวจิตที่ไปดูรูปจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ไปรู้รสจิตที่ไปคิดอยู่ชั่วคราวทั้งนั้นเลยนะนี่หัดดูหัดแยกไปเรื่อยนะเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตน ถ้าเราไม่สามารถล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้แล้วเป็นโสดาบันไม่ได้เพราะถ้าโสดาบันนะคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดานะคําว่าสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคืออะไรก็คือรูปธรรมนามธรรมคือธาตุคือขันนี้เองนะคือกายคือใจเรานี่เองร่างกายเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับได้นะเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ เกิดเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วดับเกิดเป็นร่างกายหายใจออกเนี่ยร่างกายนั่งอยู่ชั่วคราวก็ลุกขึ้นยืนใช่ร่างกายนั่งหายไปเกิดร่างกายลุกขึ้นยืนมันเป็นมันมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะถ้าเราดูไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าร่างกายมีอันเดียวแล้วเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆหรือจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าดูไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียว พอร่างกายนี้ตายจิตดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดใหม่อันนี้มิจฉาทิฏฐินะชื่อสัตว์สตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งแล้วชาวพุทธเราเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้เยอะมากเลยคิดว่าพอร่างกายนี้ตายนะจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ในความเป็นจริงแล้วจิตเกิดดับอยู่ทุกขณะเลยถ้าภาวนาให้ดีเราจะเห็นนะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อเราเห็นตรงนี้เยอะแยะเลยนับไม่ถ้วนละนเห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวไปเกิดที่ตาเดี๋ยวไปเกิดที่หูเดี๋ยวไปเกิดที่ใจ ามาทดลองดูดูอะไรดีอย่าดูหลวงพ่อก็แล้วกันดูอย่างอื่นเอาดูพระพุทธรูปสังเกตไหมเวลาที่เราดูพระพุทธรูปเนี่ยเราเห็นพระพุทธรูปชัดในแวบเดียวเท่านั้นนะแล้วก็จะเบลอๆไปดูออกไหมลองมองพระพุทธรูปสิเราจะเห็นภาพพระพุทธรูปชัดนะชั่วคราวแวบเดียวเองอะ แล้วมันจะเบลือนะเราต้องตั้งใจดูใหม่เพื่อชัดขึ้นอีกแล้วมันก็ชัดอยู่แวบเดีย ว, วมันเบลไปอีกลนะสังเกตไหมขณะที่เราดูพระพุทธรูปเนี่ยเราไม่ได้ดูพระพุทธรูปอย่างเดียวแต่เราดูสลับกับคิดดูออกไหมเราดูสลับกับคิดในขณะที่จิตคิดเนี่ยภาพที่เรามองเห็ น, นจะเบลไปนะเดี๋ยวไปฝึกที่บ้านนะลองฝึกดูแล้วจะรู้ว่าจิตเกิดดับจริงๆนะ อย่างขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยค่อยสังเกตดูวบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางทีก็ตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำนะก็สลับไปคิดฟังแต่คิดเนี่ยสลับกันตลอดเวลาดูออกไหมนี่แหละความเกิดดับของจิตจิตที่ฟังมันดวงหนึ่งนะจิตที่คิดมันเป็นอีกดวงหนึ่งมันคนละดวงกันมันทําหน้าที่คนละหน้าที่กันจิตดวงหนึ่งทําหน้าที่ฟังจิตดวงหนึ่งทําหน้าที่คิดมัจิตเองเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็น พระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงปุถุชนทั่วไปไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตเนียเกิดดับเร็วมากเลยจนกระทั่งคนสติปัญญาไม่พรอไม่เคยรู้ว่าจิตเกิดดับจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงนะจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงรู้สึกไม่ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้เราเดี๋ยวนี้ก็เราตอนเด็กๆเป็นคนเดิม จะรู้สึกอย่างนี้เลยนะเราเดี๋ยวนี้กับเราปีหน้าก็ยังเป็นคนเดิมอันนี้เพราะสติปัญญาเราไม่พอที่จะซอยชีวิตเราให้เป็นช่องเล็กๆขึ้นมาจิตดูลงไปแต่ละขณะแต่ละขณะจิตที่ดูก็ขณะหนึ่งจิตที่ฟังก็ขณะหนึ่งจิตที่คิดก็เป็นอีกขณะหนึ่งถ้าแยกได้เราจะรู้ว่าจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลาแล้วเร็วมากด้วยอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดดออกไหมเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวตั้งใจฟังสลับไปคิดฟังเกี่ยวคิดฟังแล้วก็คิด ไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวโดยไม่คิดถ้าฟังอย่างเดียวโดยไม่คิดจะฟังไม่รู้เรื่องที่รู้เรื่องเพราะคิดจิตนี่จะทํางานสลับกันไปหัดดูนะนี่อาศัยสตินี่เองในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเหมือนไมโครโฟนนี้ไมโครโฟนนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ไปรู้เข้า กุศลอกุศลอย่างความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะไม่มีจิตที่อมตะถาวรเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปรวบยอดตรงที่มันจะสรุปรวบยอดนั้นมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมันจะเข้าฌานเองเข้าเองโดยตัวของมันเองเลยนะถึงไม่เคยเข้าฌานมาก่อนในนาทีนั้นมันจะเข้าฌาน แล้วมันจะไปตัดสินอริยมรรคไม่เกิดในชีวิตปกติอย่างนี้อริยมรรคต้องเกิดในฌานเสมอต้องเกิดร่วมกับฌานเสมอมันจะตัดความเห็นผิดได้มันจะปิ๊งขึ้นมาเลยะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดามีแต่สิ่งที่เกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นอมตะถาวรถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นพระโสดาบั น, นดูธาตุดูขันนี่แหละทํางานไปเรื่อยแล้วเห็นเลย ธาตุแต่ละธาตุนะเกิดแล้วดับขันแต่ละขันเกิดแล้วดับยกตัวอย่างธาตุบางก็ได้เราลองดูลมหายใจของเราเวลาหายใจเข้ารู้สึกไหมลมมันเย็นรู้สึกไหมหายใจลองหายใจเข้าไปลึกๆรู้สึกไหมมันเย็นหายใจออกมาสิรู้สึกไหมลมเย็นนั้นเปลี่ยนเป็นลมร้อนทนะธนะาตุไฟไม่เจี่ยงตอนที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันเย็นเพราะธาตุไฟมันน้อย ตอนที่หายใจออกมานีมันร้อนเพราะาธาตุไฟในลมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเวลาดูาธาตุกรรมฐานนะก็ดูกันถึงขนาด น, นี้เราจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักอย่างเดียวเลยบังคับได้ไหมลมหายใจออกมาสั่งให้เย็นได้ไหมมันสั่งไม่ได้มันสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่สั่งได้เลยในใกายในใจนี้นะเนี่คยค่อยๆฝึกไปอาศัยสตินั่นแหละทําให้เกิดศีลอาศัยสติทําให้เกิดสมาธิอาศัยสติทําให้เกิดปัญญา สรุปนะว่าอยากให้มีศีลมีสติคอยรู้ทันเวลากิเลสหยาบๆเกิดที่จิตใจรู้ทันไปกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราจะได้ศีลขึ้นมาอยากมีสมาธิให้รู้ทันมีสติรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านนะจิตที่ไม่มีสมาธิก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีวิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตนะไม่อยู่กับปัจจุบัน ให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตนหลงไปละจิตมันนีพิคิดแล้วมันจะสงบมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองน้ําจะได้สมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิแล้วอาศัยสติรู้ลงไปในกายแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอาศัยสติรู้ไปในความรู้สึกสุขทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะดูออกว่าความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอาศัยสติไปรู้กิเลสที่เกิดขึ้นมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดู มันจะรู้ว่ากิเลสก็ไม่ใช่ตัวเรานะบังคับไม่ได้ด้วยนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกก็นะจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนรู้คนดนะูมันจะรู้สลับแก่คิดรู้สลับแก่คิดมันะจะเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาบอนนี่แหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนาม ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามไม่เรียกว่าวิปัสสนาเราคิดเรื่องร่างกายเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาะนะนั่นเป็นวิตกวิปัสสนาปัสสนาคือการเห็นเราจะเห็นได้มีเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งมีสติรู้ทันร่างกายมีสติรู้ทันความสุขความทุกข์มีสติรู้ทันกิเลสรู้ทันกุศลที่เกิดขึ้นมีสติรู้ทันจิตที่เกิดดับทางทวารทั้ง6 มีสมาธิคือมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูแลจะรู้เลยว่าทุกอย่างเนี้ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตเราต่อไปเราจะไม่ทุกข์เราจะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆอย่างคนที่กําลังเจ็บป่วยอยู่ค่อยๆสังเกตลงไปนะประเดี๋ยวมันก็เจ็บขึ้นมามันเจ็บอยู่ชั่วคราวนะความเจ็บมันก็ลดลงหรือความเจ็บมันหายไปนะประเดี๋ยวความเจ็บก็เกิดขึ้นอีกความทุกข์ในทางร่างกายนะก็เกิดดับ ไม่มีทุกข์ทางร่างกายที่เกิดเราไม่ดับกนระทั้งเป็นมะเร็งนะสุดท้ายก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมามากนะสุดท้ายก็ดับนะดับอาจจะตายแล้วก็ดับเลยนะไม่มีความสุขความทุกข์ใดๆที่เกิดเราไม่ดับเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราจะเห็นความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวหัดดูเรื่อยๆนะดูที่กายก็ได้ดูที่ใจก็ได้ ความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดที่กายก็ได้เกิดที่ใจก็ได้เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะดูลงไปเลยร่างกายเป็นทุกข์ใจก็ปล่อยทุกข์ด้วยความทุกข์ของกายกับความทุกข์ของใจคนละอันกันนะงั้นถ้าพวกเรามีสติรู้ทันอยู่ที่จิตนะเราจะเห็นว่าความสุขในจิตใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปความทุกข์ในจิตใจอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปดูที่ใจง่ายกว่าดูที่กาย อย่างเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเราดูความทุกข์ในกายนะดูนานกว่ามันจะหายนะแต่ถ้าดูความสุขความทุกข์ในใจนะจะพบว่ามันเปลี่ยนเร็วมากเลยอย่างเวลาเราเห็นอะไรถูกอกถูกใจนะมีความสุขอยู่แป๊บเดียวนะความสุขก็หายไปละนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขเราได้ยินเสียงอย่างนี้มีความทุกข์ความสุขความทุกข์อยู่แว๊บเดียวก็หายไป การที่เราใคยเฝ้ารู้ความสุขความทุกข์ในใจของตัวเองเนืองเนืองเนี่ยเป็นของดีของวิเศษมากเลยวิเศษยังไงถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวถ้ารู้อย่างนี้ได้นะจิตจะไม่ดิ้นรนลนะความสุขเกิดขึ้นจิตจะไม่ดิ้นรนติดอกติดใจไม่เห็นต้องติดใจมันเลยมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปนะความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนเกลียดชังมัน เพราะรู้ว่าไม่นานมันก็ไปนเนี่ถ้าใจเราเห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวได้จะเห็นได้ต้องเห็นบ่อยๆนะเราคอยรู้อยู่ที่ใจเรานี่แหละมีสติรู้ทันอยู่ที่จิตใจเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยถ้าจะหัดดูจิตนไม่ต้องดูอะไรมากดูแค่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จิตแค่นี้พอละไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้อันนี้นท่านเคยสอนพระมคคลลานะ บอกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะให้ตามเห็นทำทั้งหลายทั้งปวงไปพอไปกระทบทำทั้งหลายทั้งปวงนะจิตมีเวทนาขึ้นมาท่านให้ตามดูเวธนาคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าความสุขความทุกข์นี่เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงท่านเรียกว่าอานิจจานุปัสสีเป็นของไม่เที่ยงพอเห็นไปเรื่อยนะมัจะใจมันจะค่อยคลายความยินดียินร้ายในความสุขความทุกข์ถ้ามันรู้ว่าความสุขก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่หลงยินดี นะความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงมันก็ไม่หลงยินร้ายนะใจจะเป็นกลางเพรอจิตไม่มีความยินดียินรา้ายท่านเรียกว่าวิราคะนะหมดความอยากหมดความยินรดจิตจะหลุดพ้นนะงั้นพวกเราฝึกนะลองฝึกดูง่ายๆนะมีสติคอยรู้ทันที่ใจของเราไว้นะถ้ากิเลสหยาบๆเกิดขึ้นรู้ทันสีห้าจะเกิดขึ้นถ้าจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันสมาธิจะเกิดขึ้น ถ้าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ทันจะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวสุดท้ายปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะรู้เลยความสุขของชั่วคราวความทุกข์ของชั่วคราวความอยากจะไม่มีความอยากนั่นแหละทําให้เกิดความทุกข์อาศัยเวทนาเป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาเคยได้ยินเรื่องปฏิจจสมุปบาทไหมเคยได้ยินชื่อบ้างไหมหรือชาตินี้ยังไม่เคยได้ยินเลยยังไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ยินแล้วนะ ปฏิจจสุบาทเป็นธรรมสาคัญนะไม่แจ้งปฏิจจสุบาทล้งางอวิชชาไม่ได้การเห็นแจ้งปฏิจจสุบัตต้องเห็นนะไม่ใช่คิดเอานะต้องเห็นงั้นหัดดูไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันจะเห็นไล้ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าความสุขเป็นของชั่วคราวใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความอยากได้มาซึ่งความสุขความอยากให้ความสุขอยู่นิ่ลันดอนจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเห็นว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะความชิงชังความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นนะการปฏิเสธไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเวลาที่เราไม่อยากให้ความทุกข์มาถึงตัวเนี่ยทุกข์ไหมสมมติว่าคิดไปว่าปีหน้าคงจะป่วยหนักแนละ้แก่ลงทุกทีแล้วคิดล่วงหน้าไปทุกข์ไหมทุกเราไม่อยากให้ความทุกข์มาเราก็ทุกข์นะเงั้นเราคอยรู้ทันเลยถ้าเมื่อไร่เห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความอยากจะไม่มี ถ้าความอยากไม่มีนะจิตใจจะไม่ถูกความอยากครอบงำนะจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมางั้นถามว่าเราภาวนาไปถึงจิตสุดแล้วเราได้อะไรมาเราได้อิสระภาพมานะแล้วเราได้ความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะความสุขที่จิตไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างจากลูกจากนามจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เราไม่เป็นอิสระต่อสิ่งต่างๆนะนะเพราะเราติดในความสุขความทุกข์นั่นเอง เช่นเราไม่เป็นอิสระต่อแฟนเราเรารักเขานะต้องมีเขามาอยู่ด้วยเราถึงจะมีความสุขเราอยากได้มาอยากได้อะไรอยากได้ความสุขเพราะฉะนั้นการที่เรายังรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละทำให้เราไม่มีอิสระนะอยากให้น้ําลดเร็วๆกลุ้มใจไหมอยากให้น้ําลดเร็วๆกลุ้มใจไหมอย่างคนกรุงเทพน้ําท่วมแล้วน้ํามันลดอย่างที่อยากไหมมันอยากไงมันก็ไม่ลดใช่ไหมนะ ไม่เกี่ยวเลยมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยไร้สาระในใจเรานี่เงเพราะงั้นเราต้องมีสตินะมีสติมีปัญญาคอยรู้ทันความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนี่ให้กันบ้านแล้วนะต่อไปนี้พวกเรามีสตินะรู้จักดูจิตใจของตัวเองบ่อยๆจิเล็เกิดรู้ทันเราจะได้ศีลความฟุ้งซ่านเกิดรู้ทันเราจะได้สมาธิความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะ จะได้ปัญญาเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสุข ก, ก็ชั่วคราวทุ ก, ก็ชั่วคราวนะไปฝึกเอานะไม่ยากเท่าไร่หรอกแต่ถ้าไม่ทำก็ายากนะถึงจะไปอารัตนาประมาจโลกาที่ปตีอรัตนาหมื่นครั้งไม่ดูของจริงในใจมันไม่ได้กินหรอกธรรมนะธรรมะไม่ใช่เรื่องคิดคิดเอานะต้องเห็นของจริง ถ้าเห็นของจริงนะการดูความจริงของกายของใจของรูปของนามนะเป็นการทําวิปัสสนากรรมฐานพรนะเจ้าท่านเคยบอกนะท่านใช้คําว่าสติปัฏฐานแต่ในสติปัฏฐานเนี่ยมีทั้งสมถะทางวิปัสสนาะถ้าทําสติปัฏฐานได้สมบูรณ์ก็ก้าวขึ้นถึงวิปัสสนาเนี่ยทนะ่านว่าเจ็ดวันเจดเดือนเจ็ปีต้องได้อะไรบ้างนะนะของเราถ้าทํามาตั้ง นานนักหนาหลายสิบปีแล้วก็มาเห็นมีอะไรสงบแล้วฟุง้งสงบแล้วฟุง้งแสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาหรอกอย่างมากก็เจริญสมาธิสมาธิก็ทําได้แค่นั้นนะกี่ปีก็แค่นั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วดีนะจิตต้องตั้งมัน่นสมาธิทําได้ก็ทําแต่ต้องพัฒนาให้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมัน่นไม่ใช่จิตสงบเคลือบเคลิมลืมเนื้อลื ม, มตัวนั่งสมาธิงอกงอกๆงะไรสาขาที่สุดเลย อยาให้ขาดสตินั่งสมาธิแล้วขาดสติหัวซุกหัวสุดนะหรือเห็นน้นเห็นนี่นะไม่มีสตินะขาดสติก็ขาดศีลขาดสติก็ขาดสมาธิขาดสติก็ขาดปัญญานะสติสำคัญท่านถึงเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากเนะท่านี้ก็พอมั้งนะอ้าวมีใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมขอย่อๆนะไม่ต้องเล่าตั้งแต่ปฐ ม, มวัย เอาปัจจุบันนัการเลยนรรมศส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนซีดีมานานเอยระหว่างวันเนี่ยค่ะหนูจะแบ่งเวลามาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เวลาที่สวดมนต์ไปใจไหลไปคิดหนูก็รู้เวลาท่องพุทธโธ ร, ระหว่างวันใจไหลไปคิดก็รู้นั่งสมาธิไปฟุ้งซ่านก็รู้แค่รู้อย่างนี้ถูกต้องแล้วไหมคะ หนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นค่ะนั่นแหละมันจะรู้ด้วยตนเองนะไม่ใช่เรื่องแปลกวินอยู่ชนจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะแล้วอย่างนี้ค่ะตอนนี้หนูรู้สึกตื่นเต้นหนูก็รู้แล้วก็กฎไว้ใช่ค่ะแล้วมันมันก็ดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่เอห้ามไม่ได้คเขากําลังสอนคําว่าอนัตตาอยู่ยิ่งอยากมันก็จะยิ่งยิ่งตื่นเต้นค่ะยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ค่ะก็เท่านั้นเองเนี่ยดูจนเห็นความจริงนะ ในธาตุในขันเนี่ยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จิตจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้ไหมเนี่ยคืนไปแทรกแซงมันยิ่งทุกข์หนักกว่าเก่าดูของจริงอย่างนี้แหละการบ้านที่หนูต้องทำต่อคือแค่ดูแค่รู้อย่างนี้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆถ้ารู้ไปรู้ไปแล้วมันภูมิใจว่ากูเก่งให้รู้ทันเลยนะขอบคุณค่ะกาบรรณสการค่ะหลวงพ่อหนูได้ปฏิบัติตาม เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาปฏิบัติมาตลอดนะคะแล้วก็ในรูปแบบในชีวิตประจําวันหนูพยายามมีสติรู้ ก, กล้รู้ใจเห็นกิเลสไหมเห็นไหมเห็นกิเลสไหมเห็นค่ะโอ้ถ้าเห็นกิเลสแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประมุได้แล้วที่หนูอยากจะเรียนถามหลวงพ่อก็คือทุกวันเนี้ยหนูก็ปฏิบัติในรูปแบบถือศีลแล้วก็ภาวนา <c oughs> <c oughs> แต่ที่หนูข้องใจก็คือว่าการที่หนูนั่งภาวนาในหนูไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสมถะ หรือว่าเป็นเจริญปัญญาค่ะคืออย่าให้มันฟุ้งเกินไปนะค่ะถ้าเรานั่งไปแล้วจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันนั่งจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหรือนั่งไปแล้วจิตมันซึมลงไปรู้ทันตรงที่รู้เนี่ยมันจะพอดีตรงที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยสติอ่อนไปค่ะตรงที่ซึมซึมไปก็ไม่ดีหรือบางทีนั่งแล้วแข็งตึงเกินไปนั้นสิ่งที่ผิดมันมีสุดตรงสองฝั่งนั้นหย่อนไปก็หลงไปเลยตึงไปก็ไปบังคับไว้คะ ตรงที่รู้นั่นแหละพอดีจิตจิตมีสมาธิพอไหมขนาดนี้ไม่ไม่พอค่ะนั่นแหละจุดอ่อนนะค่ะปับสมาธิเพิ่มไหนค่ะแล้วที่ปฏิบัติมาได้ดูได้ถูกไหมคะถูกสิถ้าปฏิบัติเราถูกละถ้าไม่ปฏิบัติเราผิดแน่นอนค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองไหมเห็นค่ะรู้สึกไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งรู้สึกค่ะถ้ารู้สึกงั้นก็คือขันมันเริ่มแยกแล้วค่ะ แก็สมาธิต้องพอนะค่ะถ้าขันแยกแล้วสมาธิไม่พร้อมจะฟุ้งไปกลาบขอพระคุณค่ะหลวงพ่อกลับนมัตการหลวงพ่อครับเป็นเรื่องของการสงสัยคือสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเคยฟังเทปกับหลวงพ่อนางแต่นี้ว่าสงสัยกับเรื่องคนอื่นแล้วครับฮะสงสัยเรื่องของคนอื่นแล้วครับเคยฟังเทปหลวงพ่อ คือมีลูกเศรษฐีท่านท่านสละเป็นครวาสไปบวชเป็นพระท่านสละรถยนต์ท่านสละตําแหน่งหน้าที่อไปบวชเป็นพระสายวัดป่าอืแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตได้ข้าวเหนียวถั่วดำท่านก็ท่านก็รู้สึกว่าท่านจะชอบนะครับอืแต่ปรากฏว่าไปไม่เจอท่านนานแล้วนะเลยครับเจอท่านท่านเป็นู้ศิษหลวงปู่สิม่านหลังไปอยู่กับหลวงปู่เทศ แล้ ว, ลวไม่เจอกันนานละแล้วแล้วท่านทาน่ทานก็ฉันรวมปรากฏว่าถึงหน้าท่านปรากฏว่าพระองค์อื่นได้หยิบไปแล้วท่านก็ไม่เป็นไรก็<ม>ก็เก็บความเสียใจไว้มามครั้งที่สองอีกท่านถึงกับร้องไห้ออ<ม>ืนี้ผมอยากทราบว่าสงสัยปะปะอยากอยากทราบว่าเป็นแนวทางอยากให้ท่านอนธิบายอะไรนะอยากทราบเป็นแนวทางว่าทําไมทําไมท่านถึงท่านถึงสละอะไรเรียบร้อยแล้วไอ้เรื่องเรื่อ ง, องข้าเหนียวถั่วดำท่านต้องร้องไห้ <laughs> คือบางทีภาวนานะอยู่คนเดียวในป่าในเขานะมันวังเวงนะมันเกิดสังเวชตัวเองสงสารตัวเองขึ้นมานะจิตใจของปุถุชนนะีมันยังกลับกรอกอยูนะ่วันนี้กล้าสละอีกวันหนึ่งไม่สละแล้วล่นะ ท, ที่สละนี่หมายถึงข้าเหนียวถั่วดำเรื่องร้องไห้เรื่องเข้าวเหนียวถั่ว ด, ดํานะครับใช่กล้าสละเงินร้อยล้านนะแต่ว่าสงสารตัวเอง ว่าโอ้เราลูกเศรษฐีนะอยากกินข้าวเหนียวตัวดำนะตั้งเป็นปีเลยไม่ได้กินเลยรู้สึกอนาถมากเลยแต่เป็นช่วคราวหรอกนะเป็นช่วคราวท่านก็แก้ของท่านได้หรอก <c oughs> พวกเราลองดูสิลองดูถ้าเราลองไปปวดดูนะเราจะรู้ <c oughs> แล้วเคยเคยเคยฟังเทปแล้วเคยไปฟังของท่านที่สวนสันติธรรมสองสาครั้งก็พยายามทําจิตทําใจมีมีหยู่ครั้งนนะรู้ท่านจิตใจไปครับพยายามรู้จิตรู้ใจแต่มีอยู่ครั้งที่บางทีเราปฏิบัติเราคิดว่าเราจะรักษาศีลอืแต่เรื่องต่างๆที่ผ่านมาในอดีตผมผมก็เคยเป็นคนเป็นคนเลวมาก่อนอเคยรับประจักไม่เป็นไรเป็นคนเคยเลวไม่เป็นไรอนุโมทนานะครับ แคแค่สีหบาทบางครั้งนานๆครั้งเออะไร mm. ก็ก็เหมือนกับคอรับช่นอะไรแบบเนี้ mm hmm. คือคือมาคิดทีหลังโอ้โหนี่เราเร็วขนาดนี้ใช่ไหม ก, ก็ก็ตอนนั้นก็กลัวตกนรกก็เอ้ยถ้า ต, ตายตอนนี้ทำไงเนะไปคิดคิด ค, ด ค, ดคดปรากฏว่าถ้าตายตอนนี้ตกนรกครับแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตกําลังเศร้าหมองนะตายแล้วไม่ตกนรกรถ้าเรารู้อยู่กับปัจจุบันนะจิตก็จะเป็นกุศลนะจิต ร, รู้ทันว่าจิตมีอกุศล ครับคขอบขอบขอบคุณครับพระพุทธเจ้าท่านแยกดีเลวไว้ไม่ใช่ดีเลวอย่างที่พวกเราคิดกันนะอย่างนักปฏิบัติเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านไม่ได้วัดว่าทําอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีท่านสอนเลยว่าถ้าจิตเป็นกุศลรู้ว่าจิตกําลังเป็นกุศลอยู่ดีเลิศเลยจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าจิตเป็นกุศลนะใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีนะดีนะดีมาตรฐานของพุท ธ, ธไม่ใช่ดีอย่างลกโล ก, โลก งั้นการที่คุณเห็นว่าโอจิตจิตไปโกงเขาไม่ดีเลยนะรู้เท่าทันนะมีสติรู้ทันอันนั้นดีนะในขณะนั้นดีแต่ขณะโกงอ่ะไม่ดีขณะที่รู้เนี่ยดีการนมสการครับผมจะขอส่งการบ้านนะครับที่เคยจากที่เคยไปส่งมาครั้งที่แล้วได้มามาทําก็เห็นเห็น เห็นเห็นหนกุศลในตัวเองเยอะมากควา ม, มโกรธโกรธง่ายขึ้นคนบางคนภาวนานะไม่ทำสมาธิอย่างเดียวเลยมันขมไว้คนด่าเขาไม่โกรธนะใครทำใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยวันๆทำหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> ทำหน้าตายซาก <c oughs> ทำใจแบบไม่รู้ ร, ร้อนรู้หนาวแต่เพราะเราปล่อยให้มันทำงานตาหัวจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันกระเทือนขึ้นมานะ แล้วเราใครดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ขันแยกไหมขันแยกหรื อ, อยังดูออกไหมดูเป็นขณะครับใช่ออดูเป็นขณะถูกต้องแล้วนะการที่เราสามารถแยกขันได้เนี่ยหลังจากนั้นไม่ใช่ว่ามันจะแยกตลอดนะครับเมื่อไหรจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขันก็มารวมกันใหม่เมื่อไหรจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาได้นะขันก็แยกออกไป ขันแยกออกไปแล้วดูขันแต่ละขันเขาทำงานเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะสรุปรวบยอดนะทั้งหมดเกิดแล้วดับนะไปฝึกต่อไปครับกลาบนมศการค่ะโยมฝึกแยกขันแต่ว่าทำไมรู้สึกว่ากำลังมันน้อยลงน้อยลงค่ะหลวงพ่อสมาธิต้องทำนะถ้าอยู่ๆไปแยกเฉยๆแล้วก็ไม่ ไม่ทําในรูปแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีแรงอ่ะโ อ, อเจ้าค่ะต้องทําแล้วเวลาฝึกแยกท่าแยกขนะันเนีะทําไมรู้สึกว่ามันหนักหนักทุกๆุมากเลยค่ะมันไม่ได้แยกมาตามลําดับอยู่ๆเราจะไปแยกมันนะมันต้องออกแรงแยกมันเหนื่อยนะ้ำแยกผิดวิธีนาะโอเจ้าค่ะถ้าแยกผูกวิธีก็หัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา จิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วก็ดูลงไปในธาตุในขันทีมันแยกของมันเองนะอยู่ๆจงใจแยกดึงดึงดึงเหนื่อยตายเลยเคยทําแบบนั้นแล้วคะแล้วก็ทําไปทําไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใจร้อนน่ะสิมันเคยแยกได้มันกะจะแยกเอาเองขอกานบ้านเพิ่มกับไปทําตามสเตปนะตามสเต็ปพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้จนจิตตั้งมั่นแล้วขันมันจะแยกอยู่ๆไปสั่งให้ขันแยกไม่แยกหรอก แน่นหเปล่าเหนื่อยอย่าลงคิปเนาะมาสักกาพระอาจารย์ค่ะฟังซีดีพระอาจารย์มานานพอสมควรค่ะอเจริญสติแล้วก็ใช้วิธีรู้นะคะเป็นมอวเตอร์เวย์ค่ะก็ได้ผลอัศจรรย์มากเลยค่ะอนนชีพโมโหไหมชีพโมโหบ้างไหมไม่แล้วค่ะเพราะรู้ทันค่ะเออรู้ทันไม่ค่อยลดละค่ะแต่ตอนนี้อยากจะเจริญมากค่ะ อยากจะนี่ยก็คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยนะมีสติมันก็มีศีลเพิ่มขึ้นมีสมาธิมีสติก็มีสมาธิมีสติก็แยกธาตุแยกขันธ์ก็เกิดปัญญาไม่รียบร้อนนะเราต้องฝึกจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติอริยมรรถึงจะเกิดได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นอัตโนมัติยังไม่เกิดออกก็ฝึกโดยการรู้ใช่ไหมคะใช้แนวทางัแรกนะ จงใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนอันที่2ทําในรูปแบบทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทาสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยทำทุกวันใจจะได้มีกําลังนะถัดจากนั้นเจริญสติในชีวิตประจําวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจําวันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสีพเปลี่ยนลดปัจจุพันทำอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจมันทํางานไปปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมา แล้วเราก็เห็นเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเนี่ยฝึกเดินปัญญาไปก็ฝึกแบบนี้ไปใช่ไหมคะโดยโดยอาศัยการรู้ใช่ไหมคะอย่าให้รู้รวดเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักรวมพลังจิตเข้ามาด้วยไม่งั้มันจะกระจายกว้างๆไม่มีแรงขาดแรงตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่มีแรงนั่นแหละปัญหาแล้วไม่มีแรงนะพุโทโธไปพุโทโธไป ตอนไหนที่ไม่มีแรงทําสมถะพัฒสมถะทําให้มีแรงพอมีแรงแล้วนะก็พัฒนาจิตขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็แยกธาตุแยกขันเดินปัญญาต้องเดินอย่างนี้นะอยู่ๆทิ้งสมถะไปเลยไม่ได้หลวงพ่อทําสมถะยี่สิบสอปีนะแล้วไปเจอหลวงปู่ ด, ดูลนยะมหาเดินปัญญาดูจิต ด, ดูใ จ, ด, ใจดูได้สองปีเองกํากลังของสมาธิหมดละที่ฝึกยี่สิปีวันหนึ่งไปหาอาจารย์มหาบัวไปถามท่านท่านอาจารย์ครับ พ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิต ด, ดูใจแผมก็ดูอยู่ทําไมไม่พัฒนาท่านบอกต้องเชื่อเรานะไอ้ที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตละดูไม่ถึงจิตนะนะอะไรอะไรต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็กลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธโอ้ใจไม่เอาใจเหมือนจะแตกเลยแล้วก็นึกขึ้นได้เอ้ทาไมท่านให้บริกรรมให้บริกรรมพระจิตของเราไม่ตั้งมัน่นไม่มีพลัง เลวงพ่ก็หายใจเราถนัดอนาปานสติหายใจให้ใจก็ตั้งมั่นขึ้นมามึเดินต่อได้ของคุณนะต้องให้ใจมันกลับเข้ามาในบ้านก่อนเ <c oughs> น้นใจไม่มีแรงขอบคุณค่ะนำมสการ์ค่ะหนูขอถามอะไรที่โง่นิดนึงเพราะหนูยังโง่อยูงงอย่ไม่เลยคือหนูสงสัยเรื่องจิตเกิดดับที่ท่านสอนนะคะ <c oughs> สงสัยว่าคือจิตเกิดดับเร็วแล้วก็ในวันหนึ่งมันเกิดดับตั้งหลายครั้งใช่ไหมคะใช่แล้วทําไมสมมุติว่าเรามีความทุกข์ทาไมมันทุกข์ไป3าวันเจวันพอมันดับแล้วทําไมมันไม่หายทุกข์คะเกิดมาใหม่ทําไมมันยังทุกข์ทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุของทุกข์ตัวนั้นยังอยู่จิตดวงใหม่ที่เกิดมาตามเหตุของทุกข์มันก็ยังทุกข์อีกมันเป็นคนละตัวกันหลวงพ่อเคยถามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะ เด็กผู้หญิงนะหน้าตาเนี้ยชอบช้อปปิ้งมากเลยตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการใกล้ๆนี่เองนะถามเลยว่าเคยไปเที่ยวตามศูนย์การค้าอะไรไหมรู้ว่าชอบเที่ยวหน้าตาบอกยี่ห้อเลยบอกเคยๆ ค, ความจริงไปแทบทุกวันแหละนะถามว่าเคยไหมที่ไปเที่ยวศูนย์การค้าแล้วก็เกิดปวดท้องกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยวิ่งหาห้องน้ําอะไรงเงี้ยเคยไหมเคยนะทีแรกหลวงพ่อถามมีเกิดว่าใครใครมีความทุกข์นานๆบ้าง เขายกมือเลยนะว่าเขาทุกนานถามว่าทุกเรื่องอะไรอกหักถามว่านานจริงเหรอจริงทุกอยู่ตั้งหลายวันต้องเป็นเดือนเลยนะเล ย, เลยถามเขาว่าไปชอปปิง้งบ้างไหมเผยไปชอปปิ้งแล้วเคยปวดท้องอยากหาห้องน้ำไม่แล้วก็หาไม่ได้มีไหมห้องน้ำมีแต่คนอยู่อะไรเงี้ยว่าเคยตอนที่วิ่งหาห้องน้ำเนะ่อกหักไหมอกไม่หักแล้วแต่ว่าห้องน้ำอยู่ไหน มันทุกข์ขึ้นมาอีกพอเข้าห้องน้ําเรียบร้อยนะปลดทุกข์แล้วภาวะฉุกเฉินได้รับการยกเว้นละประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วกลับมาคิดใหม่เมื่อห่างอกปูก็กลับมาทุกข์อีกนั้นความทุกข์หรือความสุขหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดจากเหตุทั้งสิ้นถ้าเหตุของมันอยู่มันยังอยู่พรนะาะเราทําเหตุซ้ํำก็คือการคิดในเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจความทุกข์กข็เกิดมันเกิดใหม่ๆหรอกตอนนอนหลับไปฝัน เรื่องนี้ไหมตอนหลับบางทีก็ฝันบางทีก็ไม่ฝันใช่ไหมลืมเรื่องทุกข์นี้เราทุกข์เที่ยงไหมทุกข์ไม่เที่ยงทุกข์มีอยู่ตอนที่นั่งคิดคิดเรื่องนี้ต่างหานี้เราคิดเราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่แลมเดือนแลมปีก็เลยรู้สึกว่าทุกข์นานถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะอย่างคนมันหักอกเรานะ่มันหักแวบเดียวเองอะ่ะเราทุกข์อยู่เป็นปีเพราะเราคิดซ้ำนันอย่าไปคิดซ้าอยู่กับปัจจุบันไป ไม่มีความทุกข์นานๆไม่มีไม่มีหรอกความสุขนานๆนะมีแต่ของชั่วคราวมีอีกไหมอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนะสอนความเป็นไตรลักษณนะ์จิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กรรมนมรรการหลวงพ่อครับจะขออนุญาตถามหลวงพ่อว่าถ้าต้องการที่จะทํา เมตตาให้เป็นอปปัญญาสมบัตินะครับหลวงพ่อไม่ทราบว่าจะต้องทําำยังไรคือต้องก่อนอยากทําเพื่ออะไรคือเพื่อระงับโทสะของตัวเองแล้วก็คือเพื่อฝึกสมาธิด้วยครับเพื่อทําสมาธิตอบถูกครับเพื่อระงับโทสามก็ระงับได้ชั่วคราวนะพอออกอยากสมาธิมาโทสามก็มาใหม่เพราะไปคิดซ้ําครับนะ แต่ถ้าใจมันเห็นนะโทรศัพท์ก็เป็นของชั่วคราวใจไม่เอาโทสศัมาจริงเองดังนั้นะด้วยปัญญาการทำอัปปมัญญาสมาธินะเมตตาเนี่ยอัปปมัญญานี่ไม่มีเจาะจงนะไม่มีจาะจงทำความรู้สึกที่เป็นมิตรความรู้สึกที่มีความสุขเนี่ยแผ่ซ่านออกไปนะแผ่ออกไปสบายใจนะทําได้อยู่ไม่เห็นเป็นไรเลย ครับคือไม่ไม่ต้องนึกเป็นคําพูดหรือว่าความรู้สึกว่าเจาะจงที่ใครเหมือนว่าแพ่ออกไปเฉยเฉยนะทําใจที่สบายทําใจที่มีความสุขนะแล้วก็นึกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเหมือนที่เรามีอยู่อย่างเนี้ยครับนะถ้าเจาะจงตัวไม่เรียกว่าปรมัญญาหรอกเป็นโฟลมวิหารแล้วถ้าต้องการเดินปัญญาต่อก็คือจับความรู้สึกตรงที่มีความรู้สึกตรงนั้นว่าขณะนี้จิตมีความสุขขึ้นมาพอแผ่เมตตาไปจิตมีความสุขนะ แผลมากมากไปจิตเปอุเบกขาเขาเห็นเลย<ช>จิตมีอุเบกขาก็ไม่เที่ยงนะจิตมีความสุขก็ไม่เที่ยงที่ฝึกอยู่นาะดีแล้วล่ะครับรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิมครับรู้สึกครับเห็นไหมโลกนี้เริ่มว่างเปล่าแล้วครับใช่เริ่มโลกนี้เริ่มว่างเปล่าแล้วไหมนั่นแหละค่อยรู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไระไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนความจริงทั้งนั้นเลย แต่เวลาเรารดูไม่ทันนะรเราก็ไปรวบจิตเข้ามาเขาไปรวบจิตเข้ามาเขาแน่นๆน่นฝึกอยู่ดีแล้วล่ะอ อ, อนนามัส ก, การนะครับไม่ทราบว่าเวลาแผ่เมตตาเนี่ยมันจําเป็นไหมว่าเราจะต้องรู้สึกเหมือนกับแผ่ออกไปคือรู้สึกเหมือนกับคนลุกสู้หรือว่าหนาวหนะไนลุกสู้นั้ น, นะะเป็นปิติเป็นปิติเออนะแผ่เมตตาไปไ่้มันไม่จําเป็นต้องกดลุกหรอกขอบคุณครับ เราอย่าไปวาดภาพเมตตาพิลึกพิลั่นนะคำว่าเมตตานะคําว่าไมตรีคําว่ามิตรนะพวกเดียวกันนะพระศรีอริยะเมตไตรนะคนที่มีเมตตาคนที่มีไ ม, ต, ม, ไมตรีคนที่มีความรู้สึกเป็นมิตรการแผ่เมตตาก็คือการที่มีความรู้สึกเป็นมิตรกับสบรรพสิง่งกับสบรรพสัตว์อนะไรเงีนะ้ยใจไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อต้านใครใจมีความสุขก็แค่นั้นเอง นักแห่เมตตาหลงไหมจิตไหลไปต้องรู้ทันอ่ะหมดเวลาแล้วนะก็ในลำดับสุดท้ายนะคะอาจารย์มนเทียนนะคะประธานศูนย์มะเรงค่ะก็จะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะด้วยพวงมาลัยค่ะแล้วก็มีจำนวนเงินทั้งหมดนะคะที่ บริจาคนั่นน่ะนะคะติดกันเทศนะคะจำนวนเงินสี่2มืเจ็ดพห้ารอยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ค่ะก็กลับถวายหลวงพ่อนะคะแล้วก็อนุโมทนานะหลวงพ่อมอบให้ไว้จะให้โรงพยาบาลหรือให้ศูนย์มะเร็งอะให้ใครก็เอาพระดลพ่อไปเทศโรงพยาบาลเทศวัดเลยก็ไม่ได้เอาอะไรหรอกเทศให้ เทพช่วยทำบุญไปครับอนุโมทนาค่ะแล้วก็มีเป็นของถวายบูชาทําค่ะถวายในหลวงพ่อค่ะเชิญอาจารย์มนเทียนค่ะเอาพวงมาลัยอันเดียวก็พอนะหลวงพ่อยกไม่ไหวอะนะเอาของหลวงพ่อก็ยกให้โรงบาบันนะเห็นมีพระป่วยอยู่ มีตึกสงฆ์ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวให้ให้หลวงพ่อ ไ, <ป S 1> ไม่มีเวลาดูเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวต้องไปอีกงานละนะงั้นหลวงพ่อไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้พรซะก่อนตั้งใจนะวันนี้เราได้ทําทา น, นทําทานอย่างถวายปัจจัยถวายข้าของเราได้รักษาศีลเราได้ฟังธรรมะเป็นการเจริญปัญญามีทานมีศีลมีการเจริญปัญญาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน เราต้องมาเติมชีวิตของเราให้เต็มนะถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราได้ความทุกข์มันจะหายไปเราจะรักพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เรายังไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็รู้สึกพระเจ้าเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ห่างไกลแต่ความเป็นจริงแล้วพระเจ้าอยู่กับเรานะถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะจริงๆนะเราไม่รู้สึกห่างไกลหรอกใจเราจะมีความอบอุ่นเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลูกกำพร้าไม่ใช่ลูกหลงทาง งั้นพยายามพัฒนาใจของเรานะเพื่อวันหนึ่งเราจะกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงที่เจอพ่อเจอแม่ของเรานะตั้งใจครับยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกาปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิฉตู สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยทามิโชติระโสยทาสพิติโยวิวัตชันตตสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง ไปก่อนนะ